วันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่าเดือนสิปี2547ก่อนอื่นที่หลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังวันนี้หลวงพ่อจะสาธิตในการเดินจงกรมให้พวกเราได้รับรู้รับทราบบางทีการเดินจงกรมตามแนวแถวขององค์หลวงปู่มั่นตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาจารย์พวกเราปฏิบัติมานั้นเดินจงกรมอย่างไรหอหลวงพ่อคิดมาหลายครั้งแล้วล่ะ คิจะสาธิตวิธีการเดินให้ดูเพื่อให้เป็นแถวแนวลักษณะในการเดินเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างของพวกเราอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่ว่าการเดินไม่รู้บางคนก็ไม่รู้จะเดินยังไงเวลาจะเดินก็เก๊เก๊กลางๆลกลัวจะเดินไม่ถูกกลัวเขาจงหัวเราะก็กะเลยไม่เดินจงกรมเลยแต่บางคนก็เดินไปแล้วก็ไม่รู้จะถูกวิธีหรือเปล่าแต่หลวงพ่อเองก็เคยพูดให้แนะนำพวกพระมาหลายรุ่น ผู้รุ่นที่ได้มาก็ได้วิธีแสดงวิธีสาธิตในการเดินจงกรมแต่วิธีการนั่งภาวนานั้นก็ได้นั่งทุกวันพวกเราก็รู้กันแล้วก็วิธีก่อนที่จะนั่งก็ได้บอกให้มองดูพระประธานพระประธานนั่งอย่างไรพวกเราก็นั่งอย่างนั้นแต่พระประธานยังไม่ปิดพันเนธนะงั้นแต่แต่พวกเราในหลับตาหลับตาดีดีกว่าลืมตา การนั่งภาวนาเนพะราะนั้นหลวงพ่อจะสาธิตวิธีการเดินจงกรมให้พวกเราได้รับรู้รับทราบตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาปฏิบัติมาคือการเดินจงกรมท่านไม่ให้เดินไกวยแขนไม่ให้เดินกอดอกนะไม่ให้เดินเอามือคว้ยหลังนะวิธีการเดินจงกรมเดินจงกรมลักษณะท่าลำพึงท่าลำพึงคือเอามือคว้กันไปข้างหน้า เหมือนเราเห็นพระยืนลำพึงอย่างนั้นอ่ะพระวันศุกร์วันเสาร์วันอะไรที่เขาหล่อมาอ่ะคือเอามือประสานไปข้างหน้าแบาพระลำพึงไม่ใช่เอามือประสานอกไม่ใช่เอามือลงระหว่างท้องนะอันนี้ก็คือวิธีการเดินอย่างที่เนี่ยหลวงพ่อจะทําให้ดูนะทางเดินยิงกงของเราเราจะกําหนดไปทางไหนนะทางเดินชุดแท้แต่เราจะกําหนดอยู่ที่บ้านของเราเรากําหนดบ้านของเราก็ได้ แล้วจะเดินทางไหนก็ได้แต่ตามจริงทางเดินยุ่งกรมนั้นตามที่แนวแถวของฮูบาจา์ท่านท่านเลือกได้นะท่านจะเดินไปทางทิศตะวันออกสู่ทางทิศตะวันตกหรือทางทิศเหนือต่อทางทิศใต้อันนี้ก็คือทางเดินยุงกรมท่านเลือกได้นะแต่ท่านเลือกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดินยังไงก็ได้แต่ถ้าเลือกได้ก็คือให้หันไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตก หรือหันทิศเหนือไปทางที่ใต้คือทางจงกรมจากนั้นก็เมื่อเราขึ้นสู่ทางจงกรมเมื่อเรากําหนดแล้วทางจงกรมนี่จะสั้นยาวขนาดไหนทางเดินยกเดินยงกรมในประมาณสักไม่น่าจะเกิน 30- 39นะหรือไม่ต่ํากว่า1 5บห้าเแต่ตามไม่จริงที่นิยมกันคือประมาณสัก2ี่สเก้านะยี่สิบเดินถ้าหากว่าไกลเกินไปท่านบอกว่าพวกมดพวกสัตว์ทั้งหลาย มันข้ามผ่านข้ามได้แต่ถ้าเราเดินทางสั้นเกินไปก็ทําให้เราเวียนศีรษะเพราะนั้นทางเดินอยากลมนะให้ได้ประมาณชักประมาณ20กว่าเก้าเนี่แหละเป็นพอดีพดีเพราะงั้นแตเวลาเราขึ้นทางเดินกลมเมื่อเรากําหนดแล้วเรายืนนะไปทางเดินอยากลมถ้าเราเดินจงกลมทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะเราก็ไปยืนอยู่ทาง ทิศตะวันตกแล้วก็หันหน้ามาทางทิศตะวันออกจากนั้นก็ประนมมือขึ้นระหว่างกกปนมมือหลับตาปนมมือไหว้ครูซะก่อนพุโทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆสามจบคือพระพุทธเจ้าก็สามจบพระธรรมก็สามจบพระสงฆ์ก็สามจบนะพอเราจะเดินจากนั้นเราก็เอามือไหว้อย่างนี้นะเรว่าท่าล้ำเพึงลักษณะท่าคิดก็โนไป ลักษณะท่าลำพึงเอามือประสานกันอย่างนี้เมื่อเมื่อประสานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอสามรอบประแสเราจะเปลี่ยนคําบริกรรมว่าเข้าพเจ้าจะเป็นสุขเดินขาขวานะอผู้อื่นจะไม่สุขข้าพเจ้าจะเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขข้าพเจ้าจะเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขนะอะเดินให้เข้ า, ขาแบบแผ่เมตตาซะก่อนนะอะแผ่เมตตาซะก่อนทีแรกเนี่ย เป็นการแผ่เมตตาทําให้ใจของเราเป็นกุศลไม่เราจะไม่เบียดเบียนผู้ใ ด, ดใครผู้หนึ่งทั้งหมดในจิตใจของเราข้าพเจ้าจงเป็นสุขสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกจงเป็นสุขเราเดินถึงสครั้งสที่เที่ยวพอเที่ยวที่4ี่เราก็กําหนดใหม่ท่นี่เราก็ก้าวขาขวาพุทธขาซ้ายโทพุทโทพุทโถพุทธโถพุทโทพุทโท โทพูดโทระ่แต่เดินตามปกติไม่ต้องเดินช้าเหมือนกับเราเดินบินทบาทอย่างไรสำหรับพระนะก็เดินขนาดนั่นหละหรือชาวบ้านโยมผู้หญิงผู้ชายอุบาสกอุบาสิกาเราเดินไปธุระการงานอย่างไรเราก็เดินขนาดนั่นหละถ้าเดินช้ามันเวียนศีรษะมันเวียนศีรษะถ้าเดินช้าถ้าเดินเร็ว ก็ทำให้มันเหนื่อยเร็วเหมือนกันเพราะนั้นการเดินยังกรมให้เขาเป็นการเดินเปลี่ยนริยาบทยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งสี่ไม่ได้เลือกว่าภาวนาอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีแต่พอการเดินเป็นการเปลี่ยนริยาบทแต่โดยมากครูบาอาจารย์ของพวกเรานี่ท่านจะนั่งนั่งกระเดินเป็นส่วนมากส่วนยืนกับนอนนั่นไม่ค่อย ไม่ค่อยทำกันนะ เ, เรื่องนอนไม่ค่อยทำเพราะนอนเข้าไปมันหลับนี่มีแต่พวกเราทั้งหลายนะเนี่ยนะชอบนอนภาวนาอสองสามกอกแล้วก็เกลือนงั้นเอเอชอบพอนอนภาวนางั้นแต่แต่คูบาอาจารย์ท่านไม่ชอบนอนภาวนามันหลับเร็วนะทีนี้เมื่อเราเดินยังกลมเราจะเดินนานเท่าไหร่อันนี้นานเท่าที่จะนานได้นะบางทีสองสามชั่วโมงสีห้าชั่วโมงสุแท้แต่ บางองค์บางคนก็ถูกกับจลิตในการเดินนะเพราะเวลานั่งเข้าไปมันสงกเลยท่านก็เดินเดินมันไม่ง่วงง่ายเพราะนั้นท่านจึงเดินเอาสติอยู่กับขาเก้เาพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้อยู่กับตัวเองตลอดนะแต่นีเเงง้เวลาเราจะยศจะทำยังไงเวลาเราจะหยุดไปยืนหยุดที่จุดเก่านะนะั่น่ะหันหน้าบาทางทิศตะวันออกเราก็ไหว้ปโนมือขึ้นอย่างเก่านะ่ะพุโทโธธโมสังโฆพุโทโธธโมสังโฆ กุโฑธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็น้อมจิตอุทิศวนกุศลข้าพเจ้าได้บาเพ็ญจิตตะภาวนาในวันนี้ด้วยความตั้งอกตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญในครั้งนี้ขอให้อเป็นบุญเป็นกุศลเกื้อกูลหนุน ผู้มีพระคุณสําหรับเราคือพ่อแม่ปูย่ย่าตาย า, ายพงษาคณะญาติญาตินิสหายเจ้า ก, กรรมนายเวรขอให้มีความสุขทุกทวนหน้ากันข้าพเจ้าความต้องการความสุขอย่างใดผู้อื่นสัตว์อื่นก็ให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกดวงวิญญาณเทินจากนั้นก็หยุดแต่ทางที่ดีเมื่อหยุดจากทางเดชโยกรมแล้ว ควรจะขึ้นมันนั่งภาวนาต่อเลยเพราะขณะที่เดินจงกรมนั้นน่ะเป็นช่วงที่การเคลื่อนไหวของร่างกายมันพยายามทําจิตให้สงบน่งมันไม่ใช่ธรรมดาแต่ถ้าหากว่าจิตสงบในขณะที่เดินจงกรมนั้นจะเป็นจิตสงบที่แนบนิ่งเป็นจิตที่สงบลึกมากสงบได้ไม่ได้ขณะที่เดินจงกรมสงบจิตสงบได้ไม่ได้แต่อยากแต่ได้แต่เมื่อสงบแล้ว จะเข้าสู่ความสงบได้ลึกกว่านิ่งกว่าตอนนี้เมื่อเราเดินยยกมเราพยายามจะให้จิตสงบเนี่ยโดยมากมันจะยากอย่างที่ว่านะั่นนะพอจากนั้นมาพอขึ้นจากทางเดินยยกลมล้าอากาศไม่ร้อนมากนะอากาศเย็นโดยมากจะไม่ร้อนละเพราะเราเดินยยกมแล้วก็มันอากาศมันก็อยู่ในที่โล่งอยู่แล้วนะจากนั้นเราก็ขึ้นมาไหว้พระ การพุโทโธธรรมโมสังโฆเรายังไม่ทําวัดอนะ่ะพุโทโธธรรมโอสังโฆสามจบจากนั้นก็นั่งคัดสมะต์เลยเข้าที่เลยประจําที่เลยนั่งเข้าที่จากนั้นเราก็ปนมือขึ้นในระหว่างอกแล้วถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อีกจากนั้นก็จะแผ่เมตตาพระพุทธเจ้าเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขสองสามเที่ยวจากนั้นก็วางมือลงจะได้กับกำหนดลมหายใจเข้าอะไรเน่ย หายใจเข้าพุทธหายใจออกโถหายใจเข้าพุทหายใจออกโถไม่ต้องเกรงไม่ต้องกึง่งไม่ต้องแต่งลมให้เป็นธรรมชาติที่สุดในขณะที่ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกไม่ต้องตามลมเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องตามลมออกมาให้มีสติอยู่ที่ลมกระทบที่ปลายจมกูกเอาสติจับอยู่ตรงนั้น พร้อมกับบริกรารบอกพุทโธถ้าหากว่าบางท่านมันจับไม่ได้เพราะไม่เคยปฏิบัติเราก็พยายามหายใจแรงๆสักสองสามครั้งแล้วก็ค่อยผ่อนผ่อ น, อนแล้วก็ให้เป็นปกติเนี่ยเนี่ยเมื่อเป็นปกติแล้วก็กําหนดลมอยู่ที่นั่นในเมื่อมันเผลอไปปับ๊บมันต้องมีเผลอแน่นอนเหมือนกับความคิดซ้อนความคิดอยู่นั่นแหละเอแต่พยายามดึงกลับมาหาที่เก่าพุทธโธอย่าให้มันไปที่อื่น พอมันเผลือไปพอรู้สติมีสติปับ๊บดึงกลับคืนมาแต่ถ้าว่ามันยังเอาอยู่ยากกำหนดลมหายใจมันห่างเกินไปเรากำหนดที่จิตก็ได้กำหนดที่ใจของเราคณานี้เราใจเราคิดเรื่องอะไรเราจะใจให้เราจะภาวนาพุทโธเราก็เอาสติจับอยู่ที่ผู้รู้คือใจของเรานั่นแหละ บริกรรมสำทับอยู่ในใจของเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ที่ยิบแต่ไม่ต้องพูดออกปากนะคือเอาใจพูดแบบนั้นเถอะเอาความคิดพูดเอาใจพูดเอาความนึกคิดตัวนั้นพูดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจจนไม่มีช่องว่างที่จะให้ใจออกไปคิดออกไปข้างนอกให้สติอยู่กับจุดนั้นตรงนั้นเท่านั้นอันนี้ก็คือวิธีการหนึ่งที่จะทําจิตให้อยู่กับตัวเอง เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเราพยายามอย่างเต็มที่จะไม่เหลือวิสัยไม่วันใดก็วันหนึ่งขณะใดก็ขณะหนึ่งจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบสั่นเข้ามาสั่นเข้ามาสติก็จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นอยู่กับตัวเองนะ่ะอ่คล้ายๆกับวตะกอเนี่ยมันพอนั่งป๊อปมันเผลอปั๊บอา่าพอตั้งปัป๊บมันเผลอแพ้บอแต่ตอนนี้ไป สติจะอยู่กับตัวเองนานนานเท่าที่จะนานพอรู้สติของเราอยู่นานๆจิตของเราก็เข้าสู่ความสงบได้ง่ายจิตเข้าสู่ความสงบมันพอจิตอยู่เท่านั้นแหละพอมันสงบปั๊บถ้าจะว่ามันเคลิมก็ใช่จะว่ามันลืมก็ใช่จะว่ามันขาดสติก็ใช่ในช่วงนั้นคล้ายๆกับว่ามันสงบมัน วางบทคำบริกรรมเมันวางคาบริกรรมทั้งหมดจิตมันจุดจิตมันวางจิตมันนิ่งขณะนั้นใจของเราจะได้รับความเย็นสบายมีความเย็นสบายเกิดขึ้นวเย็นว่าบชั่วขณะหนึ่งจิตเข้าสู่ความสงบชั่วขณะหนึ่งอันนี้ว่าจิตเป็นคณิกะสมาธิจิตเริ่มเป็นสมาธิแล้วแต่นีคณิกะสมาธิจิตเข้าสู่ความสงบชั่วขณะหนึ่งจากทั้มันก็ถอนออกไป บางคนก็อยู่ในนั้นถ้าอยู่ในนั้นก็เป็นอุปจารสมาธิสติกจิตอยูอ่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่โดยมากมันเข้าครั้งแรกมันตื่นเต้นนะอพอจิตเข้าสู่ความสงบเพียงแป๊บเดียวมันก็ออกไปแต่ว่ามันผิดปกติจิตทั่วๆไปจิตสงบกับจิตทั่วๆไปวไปนะมันจะแตกแตกต่างกันจะเข้าสู่ความสงบเข้าเท่านั้นแหละอมันจะเป็นสิ่งบ่งบอกเป็นสิ่งที่ว่าจำไม่ลืมในขณะที่ จิตเข้าสู่ความสงบนั้นเนี่ยเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเราก็พยายามต่อไปภายภาคหน้าเราก็พยายามทําเรื่อยๆอย่างที่ว่านั่นนะเอาสติอยู่กับตัวเองไม่ให้มันเผลอไม่ให้มันออกไปข้างนอกแต่นี้เมื่อเรามีความเพียรมีความพยายามมีความตั้งใจมั่นมีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดอีกไม่นานจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นอุปจารสมาธิคือลักษณะว่าจิตอยู่ จิตไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่หิวโหวยกับอารมณ์ภายนอกรู้เท่ารู้ทันสิ่งไหนที่มากระทบเมื่อได้ยินใจก็ไม่ส่งไปตามเสียงที่ได้ยินคือสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดคือไม่เผลอแต่ได้ยินเสียงภายนอกเสียงรถเสียงราเสียงคู่เสียงคนเสียงอะไรก็ตามก็ยังได้ยินอยู่แต่ว่าไม่ส่งจิตออกไปรับรู้รับทราบสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดอันนี้เราอุปจารสมาธิจิตที่เป็นอุปจารสมาธิเนี่ย สามารถที่จะพิจารณาทางวิปัสสนาได้เดินทางวิปัสสนาได้แต่ถ้าว่าเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นกําหนดอยู่ในจุดนั้นกําหนดจิตอยู่ในจุดนั้นอีกคือไม่ให้มันเผลอให้มันอยู่แล้วให้มันนิ่งให้มันรู้อยู่ตัวเองอยู่ตลอดถ้าว่ามีอุปนิสัยมากกว่านั้นกัจิตก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเท่เนีจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตเป็นอัปปนาสมาธิ เมื่อจิตเป็นอัปปนาสมาธิแล้วจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นอันนี้เรียกว่าจิตสงบสูงสุดของสมาธิเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิมีเพียงสามขั้นตามหลักที่พระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราสมาธิมีอยู่สามคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ ปนาสมาธิ <ừ. S 1> เมื่อจิตดึงเข้าสู่ความสงบไม่รับรู้รับทราบสิ่งภายนอกทั้งหมดไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งหมดร่างกายอยู่ในสภาพไหนเรานั่งอยู่ที่ไหนอย่างไรเราจะไม่รู้เราจะไม่ได้ยินเราจะไม่รับรู้รับทราบทั้งหมดแปลว่าเสียงฟ้าร้องเสียงรถเสียงอะไรก็ต่างจิตจะไม่รับรู้ออกมาทางกาย เป็นแต่ว่าจิตกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับกายเป็นคนละส่วนกันชัดเจนในขณะที่จิตสงบแต่ว่าจิตสงบประเภทนี้ไม่ใช่ว่าจะสงบได้ง่ายๆไม่ใช่มันจะสงบที่ไหนขับรถขับปลาจะสงบไม่ใช่อย่างนั้นอดี๋ยวไปคิดว่ามันจะสงบได้ง่ายๆจิตประเภทนี้เป็นจิตที่รอบรู้ เป็นจิต ท, ที่มีปัญญารอบรู้ในตัวของจิตเองตรงไหนที่มันจะปล่อยวางได้มันจะรู้ด้วยตนเองเอไม่ใช่ว่าจะกลางถนนก็นจะจิตสงบเธอเลอทะทาร่ารถชนตายหมดพวกนั่งสมาธิไม่ใช่อย่างนั้นจิต ท, ที่จะสงบได้เนี่ยต้องเป็นที่ปลอดภัยที่สุดที่เงียบที่สุดเป็นส่วนตัวที่สุดจิต ท, ที่จะสงบได้ต้องลักษณะอย่างนั้นจิตประเภทอย่างนี้ ที่อปนาสมาธินี่นะไม่ใช่ว่าคนผู้คลั่งบุบวายจะไปนั่งที่ไหนก็จิตสงบไม่ใช่เ อ, อมันไม่ใช่ถึงขนาดนั้นที่ผู้ที่จะจิตสงบนี่ต้อง เ, ออเป็นที่รอบครอบในตัวของจิตเองตัวผู้รู้ในขณนะนั้นเองเออจากนั้นก็จิตสงบถอนออกมาจากความสงบขึ้นมาอุปจารสมาธิรู้ได้ด้วยตนเองเ อ, อเมื่อกี้นี่ยเราเป็นอะไร ไม่ต้องถามใครสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วไม่ต้องถามใคร เ, เมื่อกี้นจิตเราสงบเย็นจริงๆมีความสุขจริงๆสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นรู้เรื่องของกายกับเรื่องของใจเป็นคนละสัตว์ละส่วนกันนี่แหละผู้ที่จะรู้แยกแยะหรือเข้าใจ เ, าเรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมรรคผลนิพพาน มีจริงหรือไม่ตายแล้วเกิดหรือไม่ร่างกายกับจิตใจนี่เป็นคนละส่วนกันจริงหรือไม่เนี่ยจิตประเภทนี้ถ้าว่าทำได้แล้วไม่ต้องถามใครธรรมะเป็นปัจจตังรู้เฉพาะพวกผู้ปฏิบัติเท่านัา้นไม่ต้องถามใครถ้าเมื่อจิตสงบถึงระดับนี้แล้วนะรู้ได้ด้วยตนเองเออร่างกายตายแตกแน่นอน แต่ใจของข้าพเจ้าเห็นได้ชัดเลยมันคนละส่วนกันมันคนละเรื่องกันมันคนละอันกันถึงจะอยู่ด้วยกันก็คนละอย่างกันแยกแยะกันเหมือนกับรบเหมือนกับร่างกายเหมือนกับรถซโฟเฟอร์เป็นคนน่ะไม่ใช่รถว่างั้นอต่วัไม่ใช่คนคนไม่ใช่รถอันนี้ก็เหมือนกันกายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายใจไม่ใช่กายกายไม่ใช่ใจมันคนละอันกันลักษณะอย่างนั้น เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะพยายามทำจิตให้สงบให้ได้นัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีและพวกทางว่าพวกเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นก็จะถึงจุดหมายปลายทางนี้ได้ไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งเพราะนั้นการเดินโยกรมอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟัง ถึงเราจะอยู่ในบ้านเราก็ทําได้เมื่อลูกหลานเขาพักผ่อนนอนสงบลงแล้วหาที่หลีกเล่นที่สงบในบ้านแล้วก็เดินจงกรมเดินกลับไปเดินกลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นการเปรียบเรียบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแก่ผู้ที่สูงอายุเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะออกกําลังข้างนอกไม่ได้ก็เดินจงกรมนี่แนหะละหลวงปู่หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านภูมีอายุยืนยาวโดยมากท่านจะเดินพยายามเดินให้มากเป็นการเปลี่ยนริยาบทไม่ใช่กอนแล้วนินกินแลนอนสุขสามประการไม่ลุกไปที่ไหนมีแต่กินและก็นอนอย่างนั้นไม่ได้เลยต่อไปก็เป็นอ ม, พอมพภพอมภพโรคภัยไข้เจ็บ เมตเบียนมาเยี่ยมท่านต้นั่นแหละท่านเองพระ น, นสู่ก็เป็นภาระของหลูกของหลานเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะขรวาดญาติโยมออกตนญาติโยมทุกท่านนั่นแหละปฏิบัติได้เดินโยมได้ภาวนาได้ทําใจให้สบายทําใจให้สงบไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องต่างๆเรื่องอะไรไมันจะเกิดก็เกิดถ้าคนมีธรรมในใจแล้วจิตใจจะได้รับความลมเย็นผาสุกนะอจิตใจของเราจะเย็น สบายมีความผาสกุกระลึลกถึงอะไรก็รู้สึกมันจะปล่อยมันจะวางได้ถ้าคนมีธรรมะในใจถ้ามากกว่านั้นถึงเมื่อจิตสงบแล้วจะเดินยังไงอีกต่อไปอันนี้ก็ต้องศึกษาอีกทีหนี่ศึกษาก็คือในหลักของที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เพียงจิตสงบเท่านั้นยังไม่เพียงพอเพียงแต่ว่าให้จิตพักผ่อนใจพักผ่อน ใจไม่ให้หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆเมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานแล้วก็นําจิตที่สงบนั่นอนะ่ะเจว่าบังคับก็ใช่เจะวะนํานจิตออกไปข้างนอกก็ใยไช่โดยมากท่านเจว่าบังคับให้มันจิตออกไปพิจารณาเพราะเขาว่าถ้บังคับนั่นคืออะไรโดยมากจิตผู้ที่ภาวนาจิตสงบเป็นพื้นฐานจะไม่อชอบออกไปพิจารณาทางด้านปิปัสจณาเพราะาการออกไป พิจารณาทางวิปัสสนานั้นมันเหมือนกับออกไปทำการทำงานมันไม่ชอบจิตใจมันไม่ชอบมันเหนื่อยมันไม่ชอบออกไปข้างนอกมันไม่ชอบออกไปพิจารณาเพร่อว่าจึงบอก บ, บังคับแต่เอาสติบังคับให้จิตคิดนำไปคิดคิดอะไรท่านในพิจารณาร่างกายเห็นได้ชัดๆก็เพื่อพิจารณาเอากระดูกเลยละ่ะทางบ่าพวกเราเคยเห็นรูปร่างเห็นกระดูก อยู่ในหนังสือแล้วก็เร า, เร า, เราไปตามวัดต่างๆบางทีเราก็เห็นอเขาแขวนโครงกระดูกเอาไวไ้เราก็ไปดูดูเร็วเราเห็นโครงกระดูกตามหนังสือพงหนังสือพิมพ์หรือหนังสือการแพทย์อะไรก็ตามเราก็ดูเออเนี่คนเราเนี่ยมีโครงกระดูกอย่างนี้เนั้นเราก็ดูดูจากนั้นก็กําหนดจากนั้นเวลาเรานั่งภาวนาเราก็กําหนดกายของเราอาสติกําหนดกายของเรา ตั้งแต่กระโหลกศีรษะเนี่ยกระโหลกศีรษะเป็นยังไงกระโหลกศีรษะเหมือนกับน้ําเต้านะเหมือนกับหม้อนะแต่มันมีแต่เข็บผ่าสีแต่มันมีสมองข้างในเราไม่ต้องคิดถึงสมองก่อนคิดเพราเราอยากจะดูแต่กระดูกอย่างเดียวนะจากนั้นเราก็มาดูกระโหลกของเรามีตาอโหเข้าไปหลุกเข้าไปมีจมกูกอเราเห็นแตะกะก่กระดูกจมกนะูกก่อน มันโดงออกมาหนังเนียเอมันมีแต่ส่วนกระดูกมันก็เห็นนะแต่หมกวีกอ่ะจากนั้นก็มีฟันข้างบนเออเป็นซี่ๆขากันไกลก็ไม่มีเนีอยขากันไกลมาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจากนั้นพอเอาขากันไกลเข้ามาอีกอ่าพอมันเอ็นมันมัดไว้เฉยๆขากันไกลโค้งมันไม่ใช่ข้างบนข้างล่างไม่ใช่มันจะติดกันนะอ่มันโค่นอ่านกันแต่มันก็ใช้ส่วนเอ็นอ่ะอ ขึ้นไปหากันแต่พอแยกจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่กระดูกติดกันแต่มันเป็นขากันไกลออกมาหาขานไกลข้างล่างก็มีฟันอีกเหมือนกันะจากนั้นก็พิจารณาถึงมันติดอยู่ที่ไหนเี่ยกระโหลกมันติดที่ไหนมันติดลําคอกระดูกคอก็เป็นข้อคอเถอะมันค้ากันอยู่เอะเนี่ยจากนี้พอกระดูกคอมันติดที่ไหนกระดูกไหปลาระกระดูกแขนมันโยงกันไปหมดเลยลงมาแขนขวา มันปปแขนขวากระดูกมีข้อหนึ่งมีป้องหนึ่งลงมากระดูกศอกมันเหมือนกับที่ขยับขยื่นได้จบมากระดูกแขนมีช้องชี้จากนั้นกระดูกนิ้วมือกระดูกฝ่ามือกระดูกนิ้วมือเป็นคอข้อนี่แหละกระดูกเราจะพิจารณาแต่กระดูกเท่านั้นจากนั้นเราก็ขึ้นมากระดูกข้างซ้ายกระดูกแขนข้างซ้ายไปยังไงจากนั้นก็ลงมาพิจารณากระดูก สันหลังกระดูกชี้โคงกระดูกเอวกระดูกเชิงการกระดูกขากระดูกเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้าเราให้เห็นแต่กระดูกในร่างกายเราก็ถามใจของเราว่ากายของเรานี่มีกระดูกจริงอย่างนั้นไหมมันปฏิเสธได้ไหมว่ามันไม่มีกระดูกทุกคนที่นั่งอยู่มีไหมปฏิเสธได้ไหมว่าไม่มีกระดูกใช่กระดูกแน่นอน ที่เรานั่งอยู่ที่เรานั่งได้เพราะกระดูกเป็นโครงถ้าถาอดกระดูกออกหมดนะมันก็เป็นหนังหุ้มเนื้อหุ้มอุจจาระปัสวะหุ้มเลือดหุ้มเนื้ออยู่อย่างนั้นที่เรานั่งอยู่ได้เพราะโครงกระดูกเอเป็นโครงข้างในในี่แหละให้พิจารณาให้พิจารณากระดูกเอย่างเดียวพิจารณากี่ครั้งท่านบอกว่าพิจารณาหลายครั้ง ตลบไปตลบมาถึงฝ่าเท้าขึ้นบนศีรษะจากศีรษะลงฝ่าเท้าเหมือนกับคลาดนาทกลับไปกลับมากลับมากลับไปกลับไปกลับมาพิจารณ า, นาจนให้มั่นใจจนไม่มีความสงสัยว่าร่างกายนี้ไม่เป็นอย่างอื่นรู้ด้วยสัญญารู้ด้วยสังขารด้วยสัญญาคือความจําได้ไหมายรู้เหมือน เ, เราเคยเห็นที่อื่นมาด้วยสังขารคือความปรุง แต่งในร่างกายว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละนําจิตที่สงบเป็นสมาธิแล้วนํามาพิจารณาร่างกายหรือนามากกว่านเราพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ําลมไฟก็ได้ร่างกายในมีธาตุสี่มีดินมีน้ำมีลมมีไฟเนีก็ได้พิจารณาเป็นอสุภะปฏิกูลก็ได้ในท้องของเรามีอะไรบ้างมีอุจจาร ะ, ะมีปัสสาวะมี ตับมีลำไส้มีหัวใจใช่ไหมส่วนประกอบของร่างกายอาการสามสิบสองนี่การพิจารณากายให้แยกแยะอย่างนี้ถ้าคนเราถ้าไม่หลงกายไม่มีอะไรที่จะหลงที่มันหลงทุกวันนี้เพราะหลงกายหลงกายตัวเองก่อนพอออกจากหลงกายตัวเองก็หลงกายคนอื่นพอหลงกายคนอื่นก็หลงทรัพย์สมบัติหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงไปหมดที่นี่ในเรื่องต่าง เพราะนั้นถ้าเราพิจารณ า, าอย่างนี้แล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้รู้ตามความเป็นจริงเป็นจริงอย่างไรให้รู้จริงอย่างนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อจิตรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตจะไม่ลุ่มหลงจิตจะเกิดความรู้เท่ารู้ทันเมื่อรู้เท่ารู้ทันเกิดความเบื่อหน่ายคลายเพราะจะไปยึดมัน่นทาไมอันนั้นก็คือโครงกระดูกอันนี้น็คือตับไตลำไส้ อีกสักวันหนึ่งมันก็จะต้องแตกสลายในที่สุดแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากมายนักหนาเราจะอยู่กับของอย่างนั้นเหรออยู่กับกระดูกใช่ไหมอยู่กับตับไตลำไส้ใช่ไหมอยู่กับหนังใช่ไหมอยู่กับเนื้อใช่ไหมอยู่กับเอ็นกระดูกใช่ไหมออยู่กับอุจจาระปัสสาวะใช่ไหมอยู่กับเลือดใช่ไหมถ้าไล่ไปทีละอันละอันแล้วใจของเราก็ไม่รู้จะอย่างนั้นเหมือนกันจากนั้นก็เกิดความ รู้เท่ารู้ทานเกิดความเบื่อหน่ายคลายมันไม่ใช่คลายไปที่อื่นมันคลายอยู่ที่ใจเหมือนกับคลายรู้จริงเห็นจริงแล้วกิเลสทั้งหลายราคะโทสะโมหะเนี่ยมันจะไม่เข้ามาสู่จิตใจพระรู้ตามความเป็นจริงแล้วเออมันไม่ได้คิดเข้ามาแล้วจิตใจนะั้นมันปรุงแต่งได้นะอปรุงให้เป็นกิเลสก็ได้ปรุงให้มันเป็นธรรมก็ได้ทีนี้เราปรุงให้มันเป็นธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงให้เป็นธรรมเมื่อรู้ จ้งเห็นจริงแล้วปล่อยวางท่านว่ารู้ที่ใจวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจนิพพานไม่ต้องหาที่อื่นมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจของเรานะี่ยนะทุกคนเพราะนั้นวิธีการตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่หลวงพ่อบอกว่าเดินจะกรมทำยังไงนั่งสมาธิทำยังไงจากนั้นก็เดินสมาธิทำยังไงวิธีปฏิบัติเบื้องต้นทำยังไงกำหนดอะไร และพิจารณาพิจารณาอย่างไรแล้วจะทําทําใจอย่างไรในขณะพิจารณาก็พอจะมองเข้าโครงออกเพราะนั้นพวกเราทุกๆุ ท, กท่านนะนําไปประพฤติปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังหลวงพ่อรับรองเลยว่าร้อยเปอร์เซนที่พูดไปนี้ไม่ผิดเพราะได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามหลักธรรมวินยัยมาบริบูรณ์แล้วนํามาแนะนําสั่งสอน แก่พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านแต่ก็ขอบอกอีกอย่างหนึ่งเ่บางท่านบางคนเ่เวลานั่งภาวนาขณะที่จิตเป็นอุปจารสมาธินะคณิกานะี่ยยังไม่เกิดอะไรขึ้นอัปป น, นานี่แปลว่าไม่เกิดอะไรขึ้นแต่อุปจารสมาธิเนี่ยเป็นจิตที่อยู่กับตัวเองยังพิจารณายังรู้เรื่องอะไรได้อยู่แต่จิตอยู่นิ่งกับตัวเองมีสติอยู่กับตัวเอง หรือจะพิจารณาอะไรก็ได้นี่แนหะจิตระดับนี้จะมีนิมิตเข้าม า, าว่านิมิตเอเข้ามาจะเกิดนิมิตคล้ายๆว่าจะเห็นสิ่งต่างๆเข้ามาในระดับหนึ่งเข้ามาสู่จิตใจแต่ถ้าว่าเราพิจารณ า, าดูแล้วบางคนก็เห็นคนล้มคนตายบ้างเห็นคนเก่าบ้างเห็นเรื่องอะไรบ้างบางทีก็กลัวเอบางทีเห็นนรกบ้างเห็นสวรรค์ บ, บ้างเห็นต่างๆเอ สุดแท้แต่มันจะเกี่ยวข้องไปทางไหนอันนี้บอกจิตในช่วงนั้นเป็นจิตเป็นอุปจารสมาธินินมิตจะเข้ามาในเมื่อนิมิตเข้ามาอย่างนั้นเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกิตกกังวลอะไรทั้งหมดแต่เราพยายามย้อนจิตเข้ามาหากรมมฐานเดิมเราภาวนาอะไรเบื้องแรกเบื้องแรกเรากำหนดลมหายใจเข้าออกใช่ไหมหายใจเข้าพุทหายใจออกโพใช่ไหมพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็ เอากำหนดย้อนมาหากรรมฐานเดิมเลยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเลยจะเลยพุทธโทพุทโทพุทโทพุทธโทนิมิตเหล่านั้นจะหายไปเองเรื่องต่างๆทั้งหมดจะหายไปไม่ต้องกลัวอันนี้ก็คือบอกเอาไว้ถ้าว่าพวกเราเดินพยายามกำหนดดูที่เมื่อเราเห็นอะไรแล้วก็เดินเดินเดินหรือว่ากำหนดดูไปเรื่อยๆเนะี่ย นิมิตนั้นจะขยายโปรงกว้างไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับฉายหนังให้ดูทั้งวันทั้งคืนะอแต่ฉายหนังดีมันก็ดีนะถ้าฉายหนังไม่ดีอมันกลัวได้เพ้อๆเป็นบ้าเข้าไปอีกได้อีกเพราะนั้นระวังตัวนี้เอต้องถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าภาวนาเห็นอะไรขึ้นมาต้องพยายามกราบเรียนถามครูบาอาจารย์ที่ท่านที่เราเชื่อว่าท่านรู้นะ ไม่ใช่ว่าจะถามสุ่มสีสุ่มห้าในภาคปฏิบัติเหมือนกับเราจะไปถามบวกลบคูณหารเปอดทรงเปอร์เซนเราจะไปถามคนที่ไม่รู้เขาจะไปตอบได้ยังไงเราก็ต้องถามผู้ที่รู้นะอันนี้ก็เหมือนกันเน่ยถ้าเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราคล่องใจตรงไหนที่เรายังไม่รู้เราก็ถามไถ่าถามครูบาอาจารย์อันนี้ก็คือข้อหนึ่งที่โดยมากผู้ปฏิบัติชอบ เป็นไปและอีกข้อหนึ่งอีกอันนี้เป็นเพียงชีแช้แนวชี้แนะอีกข้อหนึ่งบางคนเวลานั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโธพุทโธพุทโธลมมันหมดมันลดนละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าพอในสุดลมหมดพอลมหมดร่างกายก็หมดลมก็หมดไม่รู้จะจะกําหนดอะไรก็หายใจขึ้นมาอีกเพราะงั้นพราะกลัวลมมันหมดแล้ว ลมมันหมดกลัวตายก็เท่ากันว่างั้นทำไมลกหมดยทั้งที่กําหนดอยู่พอกําหนดขึ้นมาทีนี้มันก็หยาบขึ้นมาเนี่พอหยาบขึ้นมาทีข้าวหน้าก็มาอีกมันก็หยาบไปอย่างเก่านั่นแหละทีนี้มันไม่ไปไหนอีกทีนีน้พอไปถึงจุดนั้นมันก็หยาบอีกอย่างเก่าอันนี้เราขอเตือนขอบอกญาติโยมพวกเราผู้ปฏิบัติทุกๆ ท, ท, ท่านนะพอมาถึงจุดนี้เอ่ยเมื่อเราภาวนาถึงจุดนี้ พอกำหนดพอลมหมดเราไม่ต้องตกใจเราไม่ต้องมิตกกังวลอะไรทั้งหมดให้เราเอาสติกําหนดดูที่ตัวผู้รู้นั่นแหะเอาสติเข้ามาอยู่จุดนั้นบัดเนี่ใครรู้ว่าลมหมดลมมันหมดได้ยังไงใครเป็นคนรู้ว่าลมหมดเอาสติจับอยู่ที่ตัวผู้รู้อย่างเดียวอไม่ต้องมิตกกังวลอะไรทั้งหมดเอาสติจับอยู่ตัว น, นั้น ถ้ามีความรู้อยู่นี่มันไม่ตายไม่ตายไปไหนหรอกรู้อยู่เมื่อสติจับอยู่ตรงนั้นนั่นจิตจะเข้าสู่ความสงบลึกข้อไปกว่านั้นส่วนนั้นหลวงพ่อจะไม่พูดถึงว่าจะไปยังไงเพียงแต่ว่าให้มีสติอยู่จุดนั้นเท่านั้นไม่ต้องวิตกกังวลอันนี้ก็คือแนวแถวทางหนึ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายเคยปฏิบัติและเคยได้ยินบ่อ ย, อยเมื่อภาวนาเข้าไปแล้วเมื่อลมหมดแล้ว แล้วจะทํำยังไงก็ตั้งใจสูดตรงเข้ามาใหม่อีกจิตใจมันก็เลยหยาบขึ้นมาใหม่เหมือนก็ ต, ตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยๆเนี่พยพอยนั้นพวกเราให้จำเอาไว้นะคือสองเคสนี่แหละคือเคสหนึ่งเครื่องเค็ดนิมิตเนี่ยเคสที่สองก็คือเคสร่มหมดแล้วก็ตกใจเนี่ยตั้งต้นใหม่มันก็เลยไม่ไปไหนนี่แหละแต่ทางว่าพวกเราจำสองเงินนี้ได้จากนั้นก็ทําจิตให้สงบได้เมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรจากนั้นก่อน ถอนออกมาแล้วก็นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายให้พวกเราท่านทั้งหลายในรปูรับสากอันนี้วันนี้ก็คิดว่าถ้าพูดไปมากพวกเราก็คงจะจำไม่ได้สับสนวุ่นวายเพราะนั้นวันนี้ขอพูดจบเพียงต่นนี้ก่อนเอาต่อไปนี้ก็นั่งสมาธิเลยและที่นี่นะ